ว่าด้วยกองทัพสยามกรุงเทพได้ยกพลนิกายไปกระทําการฝึกสงคารามกันกับลาวกรุงขาวชาวเมืองเวียงจันทร์เป็นต้นเหตุเดิมเริ่มแรกที่จะได้ก่อการฝึกสงคารามกันกับพมรยวนต่อไปเป็นศึกใหญ่ได้กระทํามหายุทธนาการในรัชกาลที่สามกรุงเทพเมื่อจุลศัลย์พร้อยแปดปีจออัสสตก ดังจะได้กล่าวสแสดงต่อไปนีตอนที่หนึ่งดำเนินความตามเหตุที่เบื้องต้นจะ ก, ก่อการศึกสงครามกันนั้นเดิมเจ้าอนุเวียงจันทร์ลงมาช่วยในการพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาไลานครกลุงเทพครั้นเจ้าอนุจะกลับขึ้นไปเมืองเวียงจันทร์ จึงได้เข้าไปกราบถวายบังคมลาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วเจ้าอนุกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพวกหม่อมละครเล็กๆผู้หญิงข้างในซึ่งเป็นละครชั้นเล็กในรัชกาลที่สองนั้นกับขอพระราชทานเจ้าดวงคำลาวชาวเวียงจันทร์ซึ่งตกมาแต่ครั้นแผ่นดินพระเจ้าตากกรุงธนบุรีนั้นด้วยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวไม่พระราชทาน ให้ตามเจ้าอนุทูลขอสักอย่างเดียวฝ่ายเจ้าอนุไม่ได้สมความปรารถนาจึงมีความอัปยศแก่ข้าราชการและน า, นานาประเทศเป็นอันมากจึงบังเกิดความโทมนัสขัดเคืองเป็นกำลังด้วยไม่สมประสงค์ที่ตนปรารถนาแต่สักอย่างหนึ่งจึงได้คิดอาฆาตต่อกรุงเทพตั้งแต่วันนั้นไปแต่เมื่ออยู่ในกรุงเทพไม่รู้ที่จะกระทำประการใดได้ได ก็ต้องนิ่งทนไปจนจะได้โอกาสจะได้ทำร้ายแก่ประเทศไทยสักคราวหนึ่งในปีรากาสัปะสกุลสุกกรศักดิ์ 1,187 ปีเดือนสี่นั้นเจ้าอนุถวายบังคมลายกพลกลับขึ้นไปบ้านเมืองเวียงจันท์ครั้งนั้นเจ้าอนุไม่ได้ลาเจ้านายขุนนางผู้ใหญ่และท่านเสนาบดีเลยสักแห่งเดียวเพราะมีความคุ้นเคืองกับกรุงเทพ เหตุทั้งนี้ก็เป็นที่สำแดงแห่งกิริยาของเจ้าอนุว่าโกรธแก่ไทยได้แน่แล้วฝ่ายเจ้าอนุตั้งแต่กลับมาจากกรุงเทพขึ้นไปถึงเมืองเวียงจันทร์แล้วก็คิดตึกรองที่จะมาประทุษร้ายตีกรุงเทพมหานครเสมอมิได้เว้นเลยอยู่มาวันหนึ่งเจ้าอนุสั่งแสนเท้าพระยารล่าที่เป็นขุนนางผู้ใหญ่ให้มาประชุมพร้อมกันในท้องพระโรงเป็นหลายนาย แล้วจึงให้เชิญเจ้าอุปราชหนึ่งเจ้าราชวงศ์หนึ่งเจ้าสุ ธ, ธิสารหนึ่งกับเจ้าบุตรหลานผู้ใหญ่ที่ชํานาญในการศึกสงครามมาพร้อมกันที่บริเวณประชุมพร้อมด้วยเพียกวานแม่ทัพใหญ่ด้วยเจ้าอนุจึงได้ปรึกษาว่าดังนี้ทุกวันนี้ที่กรุงเทพมหานครมีแต่เจ้านายเด็กๆหนุ่มๆที่ไม่ชํานาญในการศึกเลยแต่คุณ น, นางผู้ใหญ่ก็มีน้อยตัวแล้ว ฝีมือทักศึกก็อ่อนแอเพราะเว้นว่างการศึกมาช้านานเจ้านายขุนนางที่ชำนิชำนาญในการทักศึกเคยทําศึกพม่ามีชัยมานั้นก็ล้มตายหายจากกันไปหมดไม่มีตัวแล้วกรุงเทพทุกวันนี้ก็ย้อนกําลังลงแต่ก่อนมากอันหนึ่งเดี๋ยวนี้เจ้าพระยานครราชสีมาก็ไม่อยู่ที่บ้านเมืองนครราชสีมา เพราะไปขัดตาทับอยู่ไกลบ้านไกลเมืองเขาตามหัวเมืองรายทางก็ไม่มีที่กีดขวางเลยการเป็นทีเราหนักหนาแล้วไม่ควรเราจะเป็นเมืองขึ้นกับกรุงเทพมหาคนครต่อไปอันหนึ่งเราได้ยินข่าวทับเรือพวกอังกฤษก็มารบกวนปากนานกรุงเทพกรุงเทพทุกวันนี้เห็นเป็นทีเราหนักหนาหน้าที่เราจะยกทับใหญ่ลงไปที่กรุงเทพก็เห็นจะได้โดยง่าย เพราะเราจะเป็นทัพประนาดทัพอังกฤษทัพอังกฤษเป็นทัพหน้าอยู่ปากน้ําไถก็จะผว้าผวังทั้งข้างหน้าข้างหลังคงจะเสียท่วงทีแก่เราเป็นมั่นคงไม่สงสัยเจ้านายขุนนางเพื่อเท้าผู้ใหญ่จะเห็นเป็นอย่างไรบ้างให้ว่ามาขณะนั้นเจ้าอุปราชเป็นผู้ประกอบไปด้วยปัญญาอันสุขุมจึงว่าขึ้นในที่ประชุมว่าดังนี้ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่โตนักมีพ ล, ลเมืองก็มากมายมากแหมนเราตีได้แล้วเราจะไปตั้งปกครองบ้านเมืองอยู่ที่กรุงเทพนั้นจะได้แล้วหรือเกรงไพรพลเมืองจะคุมกันลุกขึ้นเป็นขบฏ ต, ต่อเราเราก็จะระงับเมื่อภายหลังยากเพราะพละเมืองราษฎรไม่เต็มใจรักใคร่นับถือด้วยต่างชาติกันไทยก็จะเป็นเสี้ยนน้ำศัตรูเราเสมอไม่อยู่ เหมือนเรานอนอยู่บนขวากนามทุกวันฝ่ายเจ้าอนุได้ฟังดังนั้นแล้วก็โกรธจึงต่อไปว่าดังนี้ถ้าเราตีกรุงเทพได้แล้วเห็นจะตั้งรักษาบ้านเมืองไม่ได้จะมีภัยเราก็จะกวาดต้อนพาครอบครัวพลเมืองที่ชกันที่ดีอบพยกขึ้นมาไว้ในบ้านเมืองเราแล้วเราก็จะเก็บสับพพัสดุเงินทองสิ่งของในท้องพระทังและทรั เศรษฐีขหบดีขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยและราษฎรบรรทุกโคต่างช้างมาขึ้นมาไว้ในบ้านเมืองเราเราก็จะบริบูรณ์ยิ่งขึ้นไปกว่าเก่าหลายพันเท่าแล้วเราก็จะแต่งกองทัพไปรักษาค่ายทางช่องแคบที่เป็นท่าทางไทยจะขึ้นมารบกวนบ้านเมืองเราเราก็จะรักษาให้แข็งแรงทุกช่องทุกทางพวกไทยที่จะคิดติดตามขึ้นมาทาศึกกับเราก็ยากนะัก เพราะทางที่จะส่งสเสบียงอาหารกันนั้นก็เป็นทางไกลกันดานถึงมาดว่าไทยจะคิดขึ้นมาทำศึกแรมปีกับเราเราก็ไม่กลัวเพราะทางเรามายากแสนลาบากนักไม่เหมือนเราลงไปเพราะเราเป็นชาวป่าไม่กลัวการลำบากเดินป่าพวกไทยจะขึ้นมาทาอะไรเราได้เราคิดเป็นศึกรีบเร่งเร็วลงไปตีก็จะได้โดยง่าย ซึ่งอุปราชคิดกลัวไทยไปต่างๆนานานั้นก็เพราะความขาดกลัวไทยฝ่ายเดียวแต่เราหากลัวไม่ให้เร่งจัต้องทัพเถิดเราจะลงไปเองฝ่ายเจ้าอุปราชเห็นกิริยาวาจาเจ้าอนุองค์อาจดื้อดึงบึงบันไปฝ่ายเดียวดังนั้นแล้วครั้นจะขัดขืนห้ามปรามตามความดีนั้นเล่าก็เกรงเจ้าอนุจักฆ่าเสียว่าขัดเจ้าบ้านเจ้าเมืองเจ้าอุปราชก็ต้องจาใจพูดว่า เห็นด้วยความคิดท่านทุกประการแล้วอันหนึ่งเจ้าอนุผู้เป็นมหาปธานาธิปธีเวียงจันน์นั้นปรึกษาหารือกันตกลงกับเจ้านายขุนนางแล้วเจ้าอนุจึงมีรับสั่งใช้ให้เจ้าอุปราชคุมกองทัพใหญ่ยกไปเกลี้ยกล่อมหัวเมืองลาวซึ่งขึ้นอยู่กับกรุงเทพตามฝั่งแม่น้ำโขงนั้นสิบเมืองคือเมืองกาลสินหนึ่งเมืองร้อยเอ็ดหนึ่งเมืองสุวรรณภูมิหนึ่งเมืองชนนบทหนึ่ง เมืองขอนแก่นหนึ่งเมืองสุรินทร์หนึ่งเมืองสังขละหนึ่งเมืองขุขันหนึ่งเมืองอัตปูร์หนึ่งเมืองชุมพรหนึ่งเจ้าอุปราชก็ยกทัพใหญ่ไปตามสั่งยกไปถึงเมืองกาลสินก่อนได้พูดจากเกลียกล่อมเจ้าเมืองกาลสิน์เจ้าเมืองกาลสิน์ไม่ยอมเข้าด้วยอุปราชอุปราชก็สั่งให้ทหารจับตัวเจ้าเมืองกาลสินฆ่าเสียนำศพไปเสียประจานไว้หน้าเมืองให้ราษฎรดู ฝ่ายเจ้าเมืองทั้งไพรพลเมืองที่อยู่ใกล้เคียงรู้ความดังนั้นก็กลัวอำนาจเจ้าอุปราชจึงได้ยอมเข้าด้วยเจ้าอุปราชหลายเมืองแต่เมืองสุวรรณภูมินั้นเจ้าศรีโวโรมีฝีมือทับศึกแข็งแรงตั้งการรักษาบ้านเมืองไว้ไม่ยอมเข้าด้วยเจ้าอุปราชแต่เมืองเดียวฝ่ายเจ้าอุปราชก็ให้ทหารกวาดต้อนครอบครัวลาวชาวเมืองที่ยอมเข้าด้วยนั้นพาขึ้นไปเมืองเวียงจันทบ้างคงไว้รักษาเมืองบ้างเล็กน้อย เจ้าอุปราชเก็บสิ่งของทรัพย์สมบัติตามหัวเมืองทั้งหลายที่ตีได้นั้นมารวบรวมไว้ในกลองทัพของตนแล้วก็ตั้งทัพรังรออยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ําโขงอันหนึ่งเจ้าอนุมีหนังสือรับสั่งให้ไปถึงเจ้าราชบุตรเจ้าเมืองนครจำปาสักผู้บุตรให้ไล่ต้อนครอบครัวพลเมืองเขมราชเมืองอุบลราชธานีเมืองศรีสเกตเมืองเดชอุ ด, อดมเมืองยะโสธรขึ้นไปไว้เมืองเวียงจันทร์ แล้วให้เจ้าราชบุตรรีบยกกองทัพใหญ่ลงไปพร้อมกันกับทัพเจ้าอนุช่วยตีเมืองนครราชสีมาให้ถึงพร้อมกันตามกำหนดนัดนั้นเจ้าราชบุตรเจ้าเมืองนครจำปาศัก์ได้แจ้งหนังสือรับสั่งของบิดามาดังนั้นแล้วจึงยกกองทัพไปไล่ต้อนครอบครัวพลเมืองทั้งหกนั้นได้มากก็ให้แม่ทัพคลุมไล่ต้อนครอบครัวขึ้นไปไวเมืองเวียงจันท์แล้วจึงเตรียมกองทัพไว จะยกไปพร้อมกับบิดาฝ่ายที่ในเมืองเวียงจันน์นั้นเมื่อจะมีลางใหญ่ขึ้นเมื่อณวันเดือนหกปีโจ อ, อัฏฐศกเวลากลางวันเกิดลมพายุใหญ่พัดช่อฟ้าใบารกระหังหงเครื่องหลังคาหอพระแก้วมรกตหอพระบางหักพังทลายไปมากทั้งตำหนักเจ้าอนุที่เป็นสถานที่อยู่ใหญ่โตนั้นหักพังหลายหลังทั้งเรือนหม่อมห้ามเจ้าอนุก็หักพังห้าหลัง ในวันเกิดพายุใหญ่นั้นเรียนราศฎรในเมืองนอกเมืองหักพังทลายลงประมาณห้าสิบหกสิบหลังทาเรือนเศษครั้นถึงนวันศุกร์เดือนสิบเอ็ดขึ้นสิบสี่ค่ำปีจออัธธษฎศกกำลังเจ้าอนุเกณกองทัพมาประชุมพลอยู่ที่เมืองเวียงจันท์บังเกิดดาวพระรษทศบดีขึ้นข้างทิศทักษิณกับเมื่อเวลาอีกประมาณสองยามเศษเกิดแผ่นดินไหวที่เมืองเวียงจันท์ ถ้วยชามสิ่งของรูปพรรณกระทบกันแตกมากขันลุ่งขึ้นณวันเสาร์เดือนสิบเอ็ดขึ้นสิบห้าค่ำเวลาเชา้าเห็นแผ่นดินแยกออกไปในกำแพงท้ายเมืองเวียงจันท์ที่แผ่นดินแยกนั้นยาวสองศอกกว้างศอกเศษลึกเส้นเศษคุณนางเห็นดังนั้นจึงมาทูลเจ้าอนุให้หาโหรมาทำนายว่าจะดีหรือร้ายประการใดจะยกทัพไปตีกรุงเทพจะอับปราชัยหรือจะมีชัย ให้โหนทายทักมาแต่ที่จริงโหนคำนวณตามตำราแล้วทายว่าเหตุร้ายแรงนักถ้าจะยกกองทัพไปทำสงครามที่ใดๆจะแพ้อปราชัยตามกลางวันที่เหตุมาเกิดขึ้นนี้เจ้าอนุได้ฟังคำโหนทำนายว่าร้ายนักก็โกรธขัดเทียงโหนว่าแกล้งทำนายให้ร้ายจะไม่ได้ยกทัพไปพวกบุตรหลานโหนจะไม่ได้ไปทัพตรัดเท่านั้นแล้วจึงสั่งให้ทหารจับตัวโหนไปฆ่าเสีย เจ้านายขุนนางผู้ใหญ่ทูลทัดทานห้ามลางเป็นหลายครั้งแล้วทูลขอโทษโหนไว้ไม่ให้ฆ่าโหนจึงรอดตายในวันเสาร์เดือนสิบเอ็ดขึ้นสิบห้าค่ำนั้นเจ้าอนุจัดกองทัพพร้อมแล้วพอเกิดเหตุลางต่างๆจึงได้ย้ายพลข้ามแม่น้ำโขงมาตั้งประชุมพลทัพอยู่ที่ตำบลบ้านพันพร้าวบ้านพรันพร้าวอยู่ตรงหน้าเมืองเวียงจันท์ข้ามมาตั้งทัพชัยอยู่ที่พันพร้าวหน้าวังเจ้าอุปราช เจ้าอนุให้แม่ทัพนายกองฝึกหัดซ้อมทหารด้วยเพลงอาวุธต่างๆทั้งทหารช้างทหารมา้าและทหารเดินเทา้าหลายหมื่นฝึกหัดอยู่ที่นั่นสามเดือนครึ่งจนชำนิชำนาญพอถึงเดือนยี่แรมสิบสามค่ำปีจออัฏฐศกจุลรัศกราชหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดได้มหาอุดมมเรกดีศรีชัยมงคลเจ้าอนุให้เจ้ารัชวงศ์เป็นแม่ทัพหน้าถืออายาติ คุมพลทหารห้าพันยกล่วงหน้าลงมาก่อนแต่ณเดือนยี่เจ้าราชวงศ์ยกลงมาถึงเมืองนครราชสีมาณเดือนสามแรมสามค่ำตั้งทัพประชุมพลอยู่นอกเมืองด้านเหนือที่ศาลาเกวียนเป็นทางแยกสามทางเพราะจะได้ระวังรักษาเหตุการณ์ง่ายเจ้าราชวงศ์ได้ให้แสนสุริยะพะหุนคุมทัพพันหนึ่งไปทําทางที่ในดงพญาไฟให้ดี ทับหลวงบิดาจะได้มาได้โดยง่ายเจ้าราชวงศ์ใช้ให้เพียเมืองายไปในเมืองนครราชสีมาขอเบิกข้าวในเมืองนครราชสีมามาเลี้ยงไพรพลจะลงไปกรุงเทพขณะนั้นเจ้าพระยานครราชสีมาไม่อยู่ไปราชการเมืองขุขันบุรีนานแล้วพระยาพรมยกกระบัดกรมการผู้ใหญ่ออกมาถามเจ้าราชวงศ์ว่า <S <S <S ท่านยกทัพช้างม้าผลลงมามากดังนี้ จะลงไปกรุงเทพด้วยเหตุอะไรเล่าฝ่ายเจ้าราชวงศ์แกล้งกล่าวคนอุบายตอบว่าข้าหลวงที่กรุงเทพเชิญสุภาสศรขึ้นไปทางดงพระยากลางเดินไปถึงเวียงจันทร์และเมืองหลวงพระบางและเมืองน่านเกฑนกองทัพเมืองลาวให้ยกลงไปรักษากรุงเทพเพราะได้มีข่าวว่าทัพเรืออังกฤษจะเข้ามาตีกรุงเทพเจ้าย่ำกระหม่อมก็เสด็จลงมาด้วยตั้งทัพอยู่ที่ตะบล น, น้ำเซิน อีกสักสองวันสามวันเจ้าย่ากระล ม, มก็จะเสด็จลงมาถึงเมืองนครราชสีมาฝ่ายพระยาพรมยกระบาดและกรมการได้ฟังเจ้าราชวงศ์ว่าดังนั้นก็ต้องจ่ายข้าวให้เพราะว่าเขาพูดจาเป็นทางราชการอยู่จึงจ่ายข้าวให้เราไปจับจ่ายแจกกันฝ่ายเจ้าราชวงศ์เบิกเข้าได้พอเลี้ยงผลในกองทัพแล้วจึงสั่งให้เพี้ยเมืองขวากับเชียงใต้คุมพลทหารสองพัน ยกกองทัพล่วงหน้าลงมายังเมืองสระบุรีก่อนและสั่งให้เท้ามณีเท้าพรหมสองคนคุมกองทัพสองพันอยู่รักษาที่ทาเนียกนอกเมืองนครราชสีมาเพราะที่ทาเนียกนั้นตั้งใหญ่โตไว้เพื่อจะสำหรับรับเจ้าย่ำกระ ม, ม่อมเสด็จมาประทับที่นั่นแล้วเจ้าราชวงศ์คุมพลทหารสา0พันหร้อเดินทัพตามลงมาตั้งทัพอยู่ที่ตำบลขอนขวางแต่ณวันเดือนสามแรมเ้าค่ำปีจออัษุก เียเมืองขวากับเชียงใต้กับนายทัพนายกองที่ยกล่วงลงมาก่อนนั้นจึงพาพระยาสุราราชวงศ์เจ้าเมืองสระบุรีซึ่งเป็นลาวพุงดำหนึ่งกับหลวงประหลัดหนึ่งกองคำหนึ่งกองสิงหนึ่งกองเชียงหนึ่งสี่นายนี้เป็นลาวเวียงจันท์เก่าตกมาช้านานนายทัพนายกองพาพวกลาวสระบุรีห้าคนมาหาเจ้าราชวงศ์ที่ตั้งทัพยอยู่ที่ขอนขวาง เจ้าราชวงศ์ว่ากับเล่าวสับุรีทั้งห้าหนายว่าบัดนี้ได้ข่าวว่าทัพยวนและทัพเรือฝรั่งอังกฤษจะยกทัพมาตีกรุงเทพพวกเจ้ายายอยู่เลยจะได้รับความลำบากจงขึ้นไปอยู่เสียที่เมืองเวียงจันท์จะมีความสุขด้วยกันฝ่ายพวกลาวสาบับรีทั้งห้าหนายได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดียกมือขึ้นไหว้กราบยอมสมัครขึ้นไปด้วยเจ้าราชวงศ์ เจ้ารัชวงศ์จึงสั่งว่าครอบครัวของใครใครก็คุมขึ้นมาเถอะฝ่ายเจ้าอนุกับเจ้าสุทธิสารผู้บุตรใหญ่ได้เลิกดีแล้วก็ยกกองทัพออกจากตำบล น, น้ำเซินดำเนินกองทัพมาตามทางที่เจ้ารัชวงศ์ทำไว้นั้นจนถึงชานเมืองอนครราชสีมาณนะวันเดือนสามแรมหกค่ำเวลาบ่ายสามโงเจ้าอนุพักแรมอยู่ในธรรมเนียบที่เจ้าราชวงศ์ทาไว้แต่ก่อนนั้นครันรุ่งขึ้น เจ้าอนุมีรับสั่งให้แสนเท้าพระยาลาวนายทัพนายกองทั้งหลายเร่งพลไปตัดไม้ตั้งค่ายใหญ่อยู่ที่ตำบลทะเลยาฝ่ายทิศตะวันออกนอกเมืองนครราชสีมาตั้งค่ายเป็นเจ็ดค่ายชักปีกระกาขุดสนามเพาะพร้อมตามตำราพิชัยสงครามโดยนาคนามเจ้าอนุใช้ให้คนเที่ยวพูดให้เกิดเกียรติศักดิ์แท้สองไปว่าพลเวียงจันยกมาครั้งนี้ถึงแปดมื่นบ้านเก้าหมื่นบ้าง 90, แฉหนึ่งบ้างต่างๆกันแต่อันที่แท้จริงนั้นคนมีมาแต่สองหมื่นครั้งนั้นเจ้าพระยานครราชสีมาไม่ได้อยู่ที่บ้านเมืองด้วยมีท้องตราพระราชสีโปรดก้าให้เจ้าพระยานครราชสีมายกกองทัพขึ้นไประงับการที่พระยาไกลสงครามเจ้าเมืองขุขันธ์บุรีวิวาทกันกับหลวงยกระบาดผู้น้องเกิดรบราฆ่าฟันกันขึ้น เพราะเหตุ น, นั้นคนจึงมีรักษาเมืองแต่น้อยเพราะไปกับเจ้าพระยานครราชสีมาแต่ก่อนนั้นมากแล้วอันหนึ่งพระยาปลัดและกรมการผู้คนไปกับเจ้าพระยานครราชสีมาเป็นอันมากที่เมืองนั้นมีแต่กรมการผู้น้อยกับผู้คนที่มีน้อยนักฝ่ายเจ้าอนุสั่งให้คนไปหาตัวพระยาพรมยกระบัดพระยาพรมยกกระบัดก็กลัวต้องออกมาหาเจ้าอนุที่ค่ายใหญ่ เจ้าอนุว่ากับพระยาพรมยกกระบะและกรมการว่าดังนี้เจ้าพระยาคนครราชสีมาประพฤติเป็นพานทุจริตติดสันดานหยาบตั้งแต่เบียดเบียนไพร่บ้านคนเมืองให้ได้รับความเดือดร้อนมาช้านานเมื่อเจ้าอนุไปมาทางนี้มีผู้คนมาร้องทุกข์มิได้ขาดบัดนี้ให้พระยาพรมยกกระบะและกรมการทั้งหลายระเตรียมครอบครัวของตนให้เสร็จแต่ในสี่วัน จะได้ยกขึ้นไปอยู่ด้วยกันที่เมืองเวียงจันท์แล้วเราก็จะยกลงไปตีกรุงเทพให้ได้ในคราวนี้ท่านทั้งหลายอย่าอยู่ที่นี่เลยรีบเร่งไปด้วยกันเถิดเมื่อเจ้าอนุพูดดังนั้นพระยาพรมยกกระบัดก ร, รัวอำนาจเจ้าอนุไม่รู้ที่จะคิดแก้ไขประการใดก็ต้องทำกิริยาเป็นที่ยินดีพูดว่าอยากจะได้ตามเสด็จเหมือนที่รับสั่งนั้นแล้วแล้วพระยาพรมยกกระบัด จึงทูลลาเจ้าอนุว่าจะไปต้อนครอบครัวในเมืองแล้วจึงจัดหาหญิงที่มีรูปงามได้หกคนคือบุตรหลวงนาหนึ่งและบุตรตีจีนบ้างมาให้เจ้าอนุในค่ายที่ค่ำวันนั้นเจ้าอนุก็มีใจยินดีด้วยผู้หญิงมากเพราะเป็นคนแก่ชรามากอยู่แล้วเชื่อใจพระยาพรมยกกระบาดว่าเต็มใจจะไปด้วยกับตนจริงเจ้าอนุจึงสั่งนายทัพนายกองเหล่าให้เข้าไปในเมืองนครราชสีมา เก็บได้เครื่องศาสตาวุธของพลเมืองทั้งสิน้นแต่ชันพร้าและเสียมหรือมีดใหญ่ก็ไม่ให้มีติดตนเลยแต่ทรัพย์สินสิ่งของพลเมืองนั้นไม่ได้เก็บนําไปเพราะจะล่อใจชาวเมืองให้รักใคร่ติดตามไปโดยดีฝ่ายพระสุริยะพักดีเจ้ากรมพระตํารวจกับข้าหลวงมีชื่อหลายนายไปราชการสักเลขหัวเมืองตั้งอยู่ที่เมืองเจสโธรแต่ก่อนเจ้าอนุยังไม่ยกลงมานั้น ขันพระสุริยะพักดีทราบการว่าเจ้าอนุเป็นกบฏยกกองทัพไปตีกรุงเทพและเห็นเจ้าอุปราชเวียงจันยกกองทัพมาตั้งทัพอยู่ที่ใกล้เมืองยาโสธรที่พวกข้าหลวงไปตั้งเลขศักอยู่นั้นพระสุริยะพักดีจึงไปหาเจ้าอุปราชที่ค่ายใหญ่พูดจากันด้วยอุบายต่างๆเป็นความลับจนเจ้าอุปราชรักใคร่นับถือไม่มีอาฆาตแก่กันแล้วเจ้าอุปราชเวียงจันว่ากับพระสุริยะพักดีว่า ท่านจะยกไปกรุงเทพก็ไปเถิดเราให้ไปแล้วแต่เราขอพระสุริยะพักดีช่วยกราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าตัวเราเป็นอุปราชหากได้เป็นกบฏไม่แต่อาชญาเจ้าอนุไม่ได้ก็ต้องมาตามสั่งเพราะรักษาชีวิตของเราดอกแล้วเจ้าอุปราชจึงทําหนังสือฉบับหนึ่งฝากพระสุริยะพักดีให้นํามาให้เจ้าอนุถ้าพบที่ไหนก็ให้ที่นั้นเถิด พระสุริยะพักดีก็รีบยกลงมาถึงกลางทางได้ข่าวว่าเจ้าอนุย ก, กองทัพไปตั้งค่ายใหญ่อยู่เมืองนครราชสีมาแล้วเป็นต้นทางจะลงไปกรุงเทพถ้าไม่เวะหาเจ้าอนุคงจะให้ลาวจับเราฆ่าเสียเป็นแน่จำเป็นจำต้องเข้าหาพูดจาปะเล้าประลมล่อลวงหลอกหลอนด้วยอุบายต่างๆพอจะพาตัวรอดมาได้ักคราวหนึ่งบ้างคิดแล้วดังนั้น รีบเร่งพวกข้าหลวงไทยที่มาด้วยกันหลายสิบคนเดินตัดทางมาเข้าเ ข, าเขตเมืองนครราชสีมาบอกกับลาวผู้รักษาประตูทางว่าข้าจะขอเข้าไปเฝ้าพระเจ้าย่ํากระห ม, ม่อมพวกลาวชาวด่านก็พากันคุมตัวพวกไทยไว้ทั้งหมดพาแต่พระสุริยะพักดีเข้าไปหาเจ้าย่ํากระหม่อมในค่ายใหญ่พระสุริยะพักดีเข้าไปถึงประตูค่ายใหญ่ก็นั่งลงกราบถวายบังคมครั้งหนึ่งก่อน แล้วจึงคลานเข้าไปเฝ้าที่หน้าพระรามอบกราบถวายบังคมอย่างขนรรมเนียมไทยในกรุงเทพแล้วทำกิริยาสุภาพอ่อนน้อมยอมกลัวเกรงเจ้าอนุที่สุดจนเจ้าอนุชอบใจรักใคร่ถามว่าพระสุริยะพักดีไปไหนมาพระสุริยะพักดีตอบว่ามาราชการสักเลขกอยู่เมืองยาโสธร ได้ทราบข่าวว่าพระเจ้าย่ํากระหม่อมสเสด็จมาประทับอยู่ที่เมืองนครราชสีมาแล้วข้าพระพุทธเจ้าจึงได้มาเฝ้าฝ่าละองอธุลีพระบาทและเจ้าอุปราชก็ได้ใช้ให้ถือหนังสือมาทูลเกล้าทูลกระห ม, ม่อมถวายด้วยพระสุริยะพักดีได้ น, นําหนังสือเจ้าอุปราชออกส่งให้เจ้าอนุต่อมือเจ้าอนุเองเจ้าอนุดูหนังสือนั้นแล้วจึงว่าพระสุริยะพักดีจะลงไปหาครอบครัวที่กรุงเทพก็ไปเถิด แล้วให้หนังสือสำคัญสำหรับตัวเดินทางไปในระหว่างกองทัพลาวนั้นฉบับหนึ่งแล้วเจ้าอนุจึงรับสั่งความกับพระสุริยะพักนีว่าถ้าลงไปถึงกรุงเทพแล้วให้กราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวกรุงเทพด้วยว่าข้าไม่ได้เป็นกบฏดอกเพราะครอบครัวเมืองนครราชสีมาและเมืองสระ บ, บุรีเข้าร้องทุกว่าเจ้าเมืองกรมการข่มขู่มเหงเบียดเบียนเขานักหนา เขาจะสมัครขึ้นไปอยู่เมืองเวียงจันด้วยข้าถ้าจึงยกกองทัพลงมารับพวกครัวขึ้นไปพระสุริยพักดีรับว่าจะทูลพระเจ้าอยู่หัวตามรับสั่งนั้นทุกประการพระสุริยพักดีก็ทากิริยาอ่อนน้อมยำเยงเกรงกลัวมากก็ลามาครั้นพระสุริยพักดีลามานอกข้าใหญ่รีบจะขึ้นช้างไปขณะนั้นเจ้าอนุ ขึ้นได้ก็ให้เจ้าโถงตามออกมาบอกพระสุริยภักดีว่ามีรัชสั่งเจ้าย่ํากระหม่อมมาว่าให้ขอตัวพระอนุชิตพิทักษซึ่งเป็นน้องเจ้าพระยาอภัยภูธรที่สมหวานายกนั้นไว้คนหนึ่งเถิดเพราะเป็นผู้ชอบคุ้นเคยกันกับเจ้าย่ากระหม่อมเจ้าย่ํากระหม่อมจะขอไว้คนหนึ่งก่อนพระสุริยภักดีก็ไม่อาจจะขัดคําสั่งเจ้าอนุได้เพราะกลัวอํานาจข่าศึก จึงได้ส่งตัวพระอนุชิตพิทักษ์ให้แก่เจ้าอนุพระอนุชิตพิทักษ์ก็ติดอยู่ในค่ายเจ้าอนุจนเมื่อเจ้าอนุจะหนีไทยไปเมืองยวนเจ้าอนุจึงฆ่าพระอนุชิตพิทักษ์เสียที่ท่าหน้าเมืองเวียงจันทร์แต่พระสุริยะพักดีกับข้าหลวงพร้อมกันเรีบเร่งเดินมาถึงตำบลขั้นยาวในกลางดงพระยาไฟพบกองทัพเจ้าราชวงศ์เดินทัพใหญ่ต้อนครอบครัวเมืองสารบุรีเดินสวนทางขึ้นมาพบกันที่ขั้นยาว เป็นที่แคบจะหนีไปทางไหนก็ไม่ผลพระสุริยพักดีจึงเข้าไปหาเจ้าราชวงศ์แล้วทำคํานับเป็นที่ยาเกรงกลัวแล้วแจ้งความตามรับสั่งเจ้าอนุให้เจ้าราชวงศ์ฟังทุกประการเจ้าราชวงศ์ได้เห็นหนังสือสำหรับตัวมีมาดังนั้นแล้วก็ปล่อยให้พระสุริยพักดีกับพวกข้าหลวงไทยทั้งปวงลงมาแล้วเจ้าราชวงศ์คิดว่า จะจับพระสุริยะพักดีค่าเสียดีกว่าปล่อยให้ไปไม่มีประโยชน์อะไรเลยขณะนั้นเชียงใต้และเทาเพีแอขุนนางผู้ใหญ่ในกองทัพจึงทูลทัตฐานว่าท่านเจ้าย่ำกระหม่อมท่านปล่อยให้เขาไปแล้วเราจะจับ ก, กุมเขาไว้ทําให้เหลือเกินรับสั่งหาบังควรไม่ความคิดของเจ้าย่ำกระหม่อมท่านจะคิดเป็นกลอุบายอย่างไรก็ไม่รู้เราจะทําล่วงเกินพระราชอํานาจท่านนั้นหาป่วนไม่ เจ้าราชวงศ์จึงไม่ได้คิดที่จะติดตามจับพระสุริยะพักดีพระสุริยะพักดีก็รีบเร่งเดินลงมากรุงเทพมหานครโดยสะดวกอานาสยามยุตธว่าด้วยกองทัพสยามกรุงเทพได้ยกผลนิกายไปกระทำการตึกสงคราม ก, กันกับลาวคุงขขาวชาวเมืองเวียงจันทน์ กำลังดำเนินเรื่องมาถึงเหตุการณ์สำคัญรดติดตามตอนต่อไป